3. นิกเขปกันติกะนิกเขปะ 1. กุศลติกะ 985. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนะกุศลมูลสคืออโลภะอโทสะและอโมหะได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยกุศลมูลนั้นและกายกรรมวจีกรรมโนกรรม ที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล986สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนะไหนอกุศลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้กแก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอกุศลมูลนั้น กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอกุศลโมลนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอกุศล987สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉนะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริตเวทนาติกะ988าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นฉนะ สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันนั้นเว้นสุขเวทนาในกามาวจรรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกขอันเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนา๙๘๙สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นไน สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนานั้นเว้นทุกขเวทนาในกามาวจรอันเป็นที่เกิดแห่งทุกขเวทนาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา990าสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นไฉ สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนานั้นเว้นอทุกขะมะสุขเวท น, น, น, น, นาในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัดตัดทุกอันเป็นที่เกิดแห่งอทุกขะมะสุขเวทนาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขะมะสุขเวทนา 3. วิปากาติกะ 991สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นฉไนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกเด็แกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นวิบาก 992สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นชะไหนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์ได้แก่เวทนาขันและบิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิคิดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนะัยวิบาเหงสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันและรูปที่กรรมปรุงแต่ง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 เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปที่กรรมไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 996สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 5. สังกิริทธติกะ 9ก้สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไหนอกุศลมูลสคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันน์วิญญาณขันน์ที่สัมพยุดด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุดฐาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเก้ร้อยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไหนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส999สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไหนะมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 6. วิตกกติกะห0 0่พสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นฉไนะเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมพยุ ด, ด้วยวิตกและวิจาร์นั้นเว้นวิตกและวิจาร์ในกามาวจรรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุก์ อันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีทั้งวิตกและวิจารหนึ่งพัอดสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นฉนะเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยวิจารนั้นเว้นวิจารในรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก อันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกมีเพียงวิจารหนึ่งสองสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นฉไนะเวทนาขันวิญญาณขันในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุก อันเป็นที่เกิดแห่งสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ 7. ปีติติกะหนสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นไฉนะเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยปีตินั้นเป็นปีติในกามาวจร รูปาวจรและในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์อันเป็นที่เกิดแห่งปีติแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคคด้วยปีติหนสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นฉนะตัณ ญ, ญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขนั้นเว้นสุขในกามาวจรรูปาวจร และในจิตที่ไม่นับเนื่องในวัดตทุกข์อันเป็นที่เกิดแห่งสุขแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุขหนึ่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นฉไนะสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบกขานั้นเว้นอุเบกขาในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจร และในจิต ท, ที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุก์อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตรด้วยอุเบกขา 8. ทัศนติกะ1นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นฉไนสังโยตสคือหนส ก, กายธิติ 2. วิจิกิจฉา สศีละพัตะปรามา่าพบรรดาสังโยชน์ทั้งสามเหล่านั้นส ก, กายทิติเป็นไฉไรปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมะของพระอริยไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษ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 เห็นสังขารในตนหรือเห็นตนในสังขารเห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นค่าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่น ความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดพลัธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปร้ามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิหนึ่งพันแปวิจิกิจฉาเป็นไนปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสง์ ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพรง่ง ความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพ้าไปความไม่สามารถยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาหนึ่งพันก้ีลพตปรามาสเป็นฉไฉนสมณะพรามภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิด ภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลับพระตะปรามาหนึ่ง ส, สังโยชนสามเหล่านี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชนสามนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธด้วยสังโยชนสามนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม ที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัติมักหน1่ัสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นชะไหนโลภโทสะโมหะที่เหลือและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภ โทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวัจจกรรมและมโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสา 1, 12สสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเป็นฉไน สภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกริดซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม 9. ทัศน์เหตุติกะ 1.013. สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นไ น, นสังโยชน์สามคือหนึ่งสกายธิติ 2. วิจิกิจฉา 3. าสีลัพตปรามาหันสบบรรดาสังโยชน์สามนั้นสกายทิฐิเป็นไง น, น, นี้เรียกว่าสกายธิติิ1หวิจิกิจฉาเป็นไ น, น นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาหนึ่สีลพัตปรามาสเป็นฉไนะนี้เรียกว่าสีลพัตปรามาตหนึ่สสังโยชน์สามเหล่านี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สมนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยชน์สมนั้นกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสังโยชน์สคือสกายทิทิสอวิจิกิจฉาสาสีรพธาปรามาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปติมักโรภโทสะ โมหะที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักส่วนกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันต์วิญญาณขันต์ที่สัมพยุด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวัจีกกรรมและมะโนกรรมที่มีโลภะ โทสะโมหะนั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นฉไนะโลภะโทสะโมหะที่เหลือสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม กิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกันกบโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมพยุดด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม 1.019 สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามนั้นเป็นไฉนะเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์ ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสอาจัยคามิติกะ1 0 2 0สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นไฉนะ สภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติหนึ่งิบเอ็สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นฉไนะ มัคคีซึ่งไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพานหนึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นฉนะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจร และที่ไม่นับเนื่องในวัดตัดทุก์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมที่เป็นกิริยาซึ่งไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานส1เอเซคติกะ หนึ่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นฉไหนะมัตสีซึ่งไม่นับเนื่องในวัตทุกข์และสามัญญผลสามเบื้องต่ำสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อวเป็นของเสกบุคคลหนึ่งพัสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลนั้นเป็นฉไหนะอรหัตตผลอันตั้งอยู่เบื้องสูง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของอเสะขบุคคลหนึ่งพัสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศะขบุคคลและอเสะขบุคคลเป็นไนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจร อ, อันได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคล 12. ปริตติกะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นปริฏต์เป็นชไหนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิซึ่งเป็นกามาวาจรทั้งหมดอันได้แก่รูปขันวิญญาณขัน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริตะหนึ่งยี่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะเป็นฉไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิซึ่งเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรอันได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมหคัตหนึ่งพัสภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะเป็นฉไนมะัก ผลของมรรคและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอปปมานะสิ 13. ปริตรารมณติกะหนันยี่สิบเกสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์เป็นฉนะสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารฏสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปริตะเป็นอารมณ์ห0 3 0สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์เป็นฉไนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่า <plane and> <consumption> uh. นี้ชื่อว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์หนึ่สอสภาวธรรมที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์เป็นฉไน สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นอัปปามานะเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอัปปามานะเป็นอารมณ์14ฮีนติกะ 1,032 สภาวธรรมชั้นต่ำเป็นฉไนะอกุตลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุตลมูลนั้น ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมพยุด้วยอากุตลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอากุตตลมูลนั้นเป็นจมุตฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นต่ำสาม3สภาวธรรมชั้นกลางเป็นไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพญากริเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกามาวจร รูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รู ป, ปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นกลางหนึ่งพัสภาวธรรมชั้นประณีตเป็นไฉนะมักผลของมักและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่นับเนื่องในวัดตัดทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมชั้นประนีสิบห้ามิจฉาตติกะ หนึ 1> 1, สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นไฉนอนันตริยกรรม5และมิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน1นึ่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นไฉน มสีซึ่งไม่นับเนื่องในวัตัทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนหนึ่งพัสสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นฉนันเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภพยากริตที่เหลือ ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 16. มัคคารมนาติกหนึ่งัสสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์เป็นฉนะ สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภอริยมร์เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมร์เป็นอารมณ์1นึ่สภาวธรรมที่มีมร์เป็นเหตุเป็นฉไหนะเว้นองค์มร์แล้วเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยองค์มร์นั้นของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมร์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมร์เป็นเหตุ สัมมาทิฏฐิของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเป็นมรรคและเป็นเหตุเว้นสัมมาทิฏฐิแล้วเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมยุญด้วยสัมมาทิฏฐินั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุอโลภะอโทสะและอมโมหะของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมรรคเป็นเหตุ เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมักเป็นเหตุหนึ 1, สภาวธรรมที่มีมักเป็นอธิบดีเป็นฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกธรรมอริยมักให้เป็นอธิบดีเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีมักเป็นอธิบดี เวทนาขันเว้นวิมังสาของท่านผู้พัก ง, งพร้อมด้วยอริยมรรคซึ่งกำลังเจริญมรรคที่มีวิมังสาเป็นอธิบดีแล้วเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยวิมังสานั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชั่วมีมรรคเป็นอธิบดี17อุ ป, ปันนติกะ141สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไหนะ สภาวธรรมที่เกิดที่เป็นเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้ากับส่วนที่เกิดขึ้นได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เกิดขึ้น 1นึสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นฉไหนสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่ยังไม่เกิดขึ้นสงเคราะห์เข้ากับส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้น ได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่วยังไม่เกิดขึ้น1นึสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นฉไหนะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่ยังไม่ให้ผลซึ่งเป็นกามาวจร รูปราวจรอรูปราวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันและรูปที่กรรมปรุงแต่งขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน 18. ดอตีตติกะหนึ่งสสภาวธรรมที่เป็นอดีตเป็นชนะไหนสภาวธรรมที่ล่วงไปแล้ว ดับไปแล้วปราดไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับศูนย์แล้วเกิดขึ้นดับไปแล้วที่ร่วงไปแล้วสงเคราะห์ด้วยส่วนที่ร่วงไปแล้วได้แกรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอดีตหนึสีหสภาวธรรมที่เป็นอนาคต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 รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอนาคต1นึสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นฉนะสภาวธรรมที่กำลังเกิดกำลังเป็นกำลังเกิดพร้อมกำลังบังเกิดกำลังบังเกิดเฉพาะกำลังปรากฏ กำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นพร้อมกำลังตั้งขึ้นกำลังตั้งขึ้นพร้อมกำลังเกิดขึ้นเฉพาะสงเคราะห์ด้วยส่วนที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้แกร่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปัจจุบัน 19. อติตารมณติกะ หนึ่งพัสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เป็นฉนะสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกรปรารบสภาวธรรมที่เป็นอดีตเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์หนึ่งพัสภาวธรรมที่มีอานาคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นฉนะ สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หนึ่งพสิบสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นฉะไหนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์20สอัจฉตติกะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นชไหนะสภาวธรรมที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดแก่ตนเป็นของเฉพาะแต่และบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือของสัตว์นั้นๆได้แก่ รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในตนห5 1พสอสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นฉไหนสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นของเฉพาะตนเกิดแต่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคล กิกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอกตนหนึสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเป็นชไหนะสภาวธรรมทั้งสองประเภทที่กล่าวมานั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในตนและภายนอกตน 21. อัจชรารมะนติกะหนึ่สสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นฉนหนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์หน สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่าน네ี้ชื่อว่ามีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ห5ึสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นฉนสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิก ปรารพสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ 22. สนิทศนาติกะ5 6ึัหสิภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นฉไรรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้และกระทบได้หนา สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นไนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะศัตหายตนะคันธายตนะรัายตนะและโอัพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้หนึ่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นไน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะนิกะเขปะจบ